ว่ามีคนส่ภาพ ม, มาทางตินเลตเป็นภาพแม่มูเหลือมสองตัวถูกไฟครอกตายอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นยุคธรรมดานะเวลาไฟไหม้ไฟไหม้ป่านี่ก็จะเจอซ่สาสับในที่ถูกไฟครอกแต่ว่าภาพนี้มันต่าจากที่เคยเห็นนะก็คือ ว, ว่าในในภาพเนี่ยมันูเหลือมเนี่ยมันมันพันรอบไข่ของมัน ไข่ซึ่งก็มีบางฟองก็พักเป็นตัวแปลว่าอะไรแปลว่าดูเหลือเนี่ยมันมันรับลูกของมันมากทั้งทั้งนี้มีไขยมาคุกคามก็คือไฟนะมันก็ไม่ยอมหนีถามว่ามันหนีได้ไหมมันน่าจะหนีได้นะแต่ว่ามันไม่หนีทำไมถึงไม่หนีก็เพราะว่ามันหวงลูกมันก็เอาตัวเนี่ยพันรอบไข่ซึ่งมีหลายฟอง เพแยกปกป้องอันตรายถ้ามันคงจะโหงแหงหรือเป็นหวงลูกงูที่กําลังฟกากออกเป็นตัวด้วยนะมันก็เลยทำทุวิธีนี่แสดงว่ามันมันยอมตายเพื่อลูกให้งูเหลือเนี่ยทั้งสองตัวยอยู่ ใ, ใกล้ๆนกะันนั่นแสดงว่าแม้กระทั่งสัตว์เ้วยคานนี่มันก็้มีความรักลูกมากถึงกระทั่งยอมตายได้ เ, เด็กไปได้ยิน มูตจงอางอาที่มันหวงไขนะ่ที่มันไล่ล่าคนที่ไปเอาไข่ตรงอางอันนั้นกอ็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่ว่าที่ยอมตายเนพะื่อรูกของตัวเองนี่มัน่อยได้เห็นเท่าไหอย่างในภาพถ้าเป็นสัตว์ชนิดอื่นนะเป็นสัตว์ที่มีวัฒนาการสูงขึ้นมานะก็า จ, จะเห็นได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้อยู่บ้างแต่ว่า ให้เรื่องงูเหลือที่มันยองตายที่ลูกนี่หายยากอันนี้มันก็เป็นบทเรียนสำหรับคนที่ใชอบถุกไฟเผาป่าเพราะมันรู้หลักว่ามันจะไปเดือดร้อนกับสัตว์อย่างไรบ้างให้การที่งูเหลือนย่อมตายทีุมูกนก็เป็นบทเรียนสอนใจคนเราได้เหมือนกัก็มีคนเราเนี่ยพออพัฒนาสูงขึ้นพัฒนาสูงขึ้นเนี่ยบางที ติตใจของคนเรานี่มันกับตละปะนะอาจจะเป็นเพราะว่าพอพัฒนาตัวขึ้นเราใช้เหตุผลใช้ความคิดกันมากจนกระทั่งรือความรู้สึกหรืออารมณ์พื้นฐานนะคือความรักความเมตตาลูกของตัวเมื่อสองวันก่อนอาจจะเป็นอาทิตย์แล้วนะมันมีข่าวว่าหนุ่มเกาหืีคนหนึ่งที่สอง ติดเกมมากแลยนะติดเกมออนไลน์มากไปกรุบอยู่กับร้านอินเทอร์เนต็ตทั้งวันทั้งคืนจนปรากฏว่าลูกอายุสองขวดนี่ตายนะข่าวก็เป็นทีแรกก็เป็นข่าวว่าหนุม่มคนนี้ก็สารภาพว่าไปกรุบกับอินเทอร์เนต็ตไลายอนเทอร์มีสิบวันไม่ได้ให้อาหารลูกเลยลูกชายวัยสองขวดก็เลยตายคือตายเพาราะขาดอาหารแต่เพียงเท่านี้นี่มันก็ หนักแล้วนะเพราะว่าหลงติดในเกมขนาดที่เรียกว่าลืมลูกซึ่งก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วนะโบนียมีหนุ่มเมืงสาวอยู่เลยติดเกมเหมกันมีลูกสาวอายุสองสาขวบก็ทิ้งไว้อยู่กับบ้านตัวพ่อแม่ก็ไปเล่นเกมไม่กลับบ้านเลยนะหรือกลับบ้านแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจจะให้อาหารให้หนุนลูกพอพอลูกตายลูกตายศาลก็ตัดสิน จับติดคู่ไปเลยนั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อสามสามปีที่แล้วแต่ว่าในกรณีของหนู่เกาหลีคนนี้มันก็ดูเหมือนคล้ายๆกันนะคือทิ้งรูปเอาไว้เลยสิบวันไม่ปล่อยให้รูปนี่ขาดอาหารตายแต่ตอนหลังนี่เรื่องกับกันว่ารูปไม่ได้ตายเพราะขาดอาหารนะพ่อฆ่าลูกเองฆ่าพ่อแหละเพราะว่ารบกวนรบกวนเป็นมายความสุขนะพ่อนี่อยากจะเล่นอิจฉา แต่ลูกที่ร้องร้องร้องกลัวรำคาญอันนี้เรื่อเป็นมานขวางความสุขก็เลยเอาผ้าอุดปกุดจมูกเด็กสองคนก็เลยตายตายเพราะขาดอาหารท่เหตุตายก็ขาดลมหายใจไม่ใช่เพราะขาดอาหารตาลูกกพ่อจะได้ไปเล่นเกมออนไลน์ไม่น่าเชื่อนะว่ามันเกิดขึ้นในผู้ที่มนุษย์เรียกตัวว่าเป็นผู้ที่มีความเจริญ แล้วคนเราที่พอมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาแล้วนี่มันกินเงเกินเลยเลยนะมันไปหมกมุ่นอย่าทคโนโลยีมากถ้าเกมออนไลน์ก็เป็นเกมต้องใช้สมองนะไม่ใช่เป็นเกมสนุกสุกแบบไปกินไปเที่ยวไปเล่นทั่วไปมันต้องใช้สมองแต่คนที่จะเล่นเกมออนไลน์ได้เก่งนี่ก็ต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาครัชาวบ้านหรือว่าเด็กๆทั่วไปมันเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เล่นแล้วเล่นจนเสกเสร็จแล้วก็เลย เลียงลูกนะที่ร้องหหบร้องไห้รบกวนทําให้ไม่มีสมาธิดกการเล่นก็เลยจัดการฆ่าเขา้าเทียบกับข่าวสองขานี้ก็มันก็ ม, นกมันก็น่าน่าอานาถในกัอนนั้นงูมันพยายามมันยอมตายเพื่อลูกของมั น, มนแต่ว่าคนเราเนี่ยกับฆ่าลูกเพื่อที่ได้ไปเล่นเกมออนไลน์ ค่าเพื่อเอามาลําดุกนี่ก็หนักนาสาหัสเลยนะแต่ว่าค่าเพื่อเอามืประกันนี่ก็นวะแยะและนี้ค่าเพื่อที่ได้ไปเล่นเกียมออนไลน์ได้ชื่อมันง่ายมันก็ชื่อเลยว่าเกนออนไลน์นี่มันน่ากลัวมากมันเป็นอัมบาเยมุกที่น่ากลัวจะประพอกับเหล้าแล้วก็ยาเสพติดหรือยาบ้าเราเคยได้ยินนะคนติดยาบ้าเราค่าพ่อค่าแม่แต่นี้ติดเกนออนไลน์ก็ฆ่าค่าลูกได้ แล้วเกมเราทีนี้ก็ไม่ได้มาจากไหนก็มาจากนคนเรานั่ยแหละที่พัฒนาขึ้นมาทีแรกเราก็พัฒนามันขึ้นมาเสร็จ แ, แล้วเราก็เป็นข้าของมั น, นติดงอมยันเลยอันนี้เราเป็นข้อความหลงความหลงในยุคนี้มันน่ากัวมากมันไม่ใช่แค่ความหลงธรรมดามันมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้หลงแล้วพอหลงแล้วก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ลืมลูกทิ้งลูกหรือว่า อ า, อาจจะไม่มีความรู้สึกที่จะผูกพันรักลูกอย่างที่สั ต, ตว์ทัวทั่วไปคนจะมีแล้วเราต้องถ้าเรารับตัวรับตัวเ ร, เราเนี่ยก็ต้องพยายามที่รักษาใจอย่าให้อคความหลงที่มาคร่อบมนติดใจแล้วถ้าความกุมมาครอบมาติดใจแล้วเนี่ยมาลืมตัวแล้วพอลืมตัวแล้วก็ลืมอะไรได้ทั้งนั้นลืมลูกลืมพอ่อลืมแม่ ลืมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีถ้าสมัยนี้มก็มีสิ่งที่ทาให้เราหลงตัวลืมตนมากมายถ้าเราไม่ระวังตัวนะเราก็จะเดินเข้าหาให้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ตกเป็นทาส ม, มันไม่ใช่แค่เล่าไม่ใช่แค่ยามันมีอะไรเยอดแยะหมดแม้กระทรั่งคอมพิวเตอร์อนะิเร์เน็ตี่ยที่ดูเหมือนไม่มีที่ไมีมภ้ายตอนนี้คิดภัยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆ ม, มีข่าวขึ้นแปลกๆเยอะนะ เกาหลีเหมือนกันเมื่อสองสาปีก่อนติดเกมออนไลน์ตัวทั้งถูกลา่ากการงานเพราะไม่ไม่สนใจทํา ง, งานไปทํา ง, งานสายทํา ง, งานก็ไม่มีสมาธิเลยทุไกไล่แทนที่จะเสียใจดีใจดีใจที่จะได้กลับมาเล่นได้เต็มที่เล่นที่ไหนเล่นที่บ้านพรอออกจาก ง, งานก็ไมาเล่นที่บ้านทั้งวันทั้งคืนร่างกายมันก็ส่งเสียงทุกตอนร้องว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็ยังไม่เลิกเล่นเพราะว่ามันติดนี่มันหลงติด มันติดหมิดเลยนะเล่นจนเพราะว่าไม่กินไม่นอนวันรุ่งขึ้นแมมาพบกลายเป็นศพไปแนละ้วศพอยู่หน้าจออยู่หน้าเครื่องพิวเตอร์เพราะว่าหัวใจวายตายช็อกตาย <c oughs> เล่นจนร่างกายสม อ, องนี่มันไม่ไหวมันก็หัวใจหยุดไปเฉยๆนี่นะอันนี้ก็เรียกว่าทำเพราะความเดิตัวนะพายุตัวแล้วมันกลายเป็นทําร้ายตัวเองอันนี้เรียกว่าไม่รักตัวเอง ไม่รับเงิเนก็ไปหลงกับพวกสิ่งยั่ว ย, ยาวซึ่งตอนนี้ก็มีมากมายเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลลูกหลานของเราด้วยนะเพราะว่านับปันก็จะกลายเป็นเหยื่อของอเทคโนโลยีประเภทนี้มากขึ้นแทนที่เราจะเป็นได้มันกลับมาเป็นไายเราแล้วก็ทําให้เรายแย่ๆคือเรายแย่ๆ เ, เลยพอทําให้คนอื่นแย่ๆตามไปด้วยแล้วคนนั้เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต่าง อันนี้ก็ต้องมีสติเอาไวนะ้ในการเสดในการบริโภคสิ่งต่างๆซึ่งมันมีมากมายแล้วก็หาง่าถ้าไม่มีสติในการเสดในการบริโภคนีก็อันตรายมากแล้วก็เตียมรบ